หมื่นโรคอหิวาหรือฝีดาษมาราบาดกลํากลายเกิดกับคนไหนคนนั้นต้องตายไม่มีสักรายจะหายคืนมาเลยวันวันได้แต่เวียนวนถูกเขานิมุนอยู่แต่ในป่าชาเา้าคนนั้นเสร็จเดียวก็หามคนนี้มากุศลามาติกาให้คนตายทั้งวัน ถูกโรครุมซุ้มชีวันแทบอาสันในทันใดเหมือนลาวแหลมหลายพันแทงเข้าทิ่มแทงหัวอกหัวใจหายใจขัดเจ็บหน่วงสวงไหนแทบขาดใจในทันทีหายใจเข้าออกมันแน่นเข้าแน่นเข้า นี่เราจะตายหรือนีตายก็ตายไม่เสียได้ชีวิตแต่อย่าตายตอนนี้เพราะยังมีอะไรมีอาวร์วิตกวิจารภูมิธรรมเรานั้นยังไม่สุดสายมากักคนนิพานที่ต้องการเนือ้อใดยังไม่ได้ดังเจตนา และผลที่กังวลไว้ในอุราแต่ความตายใครจะห้ามรอราคิดไปคิดมาจากกังวลไปใหญ่อันเรื่องทุกเวทนาเราผ่านมาและผ่านไปได้ความอัศจรรย์ไม่รู้เท่าไรคราวนี้เจ็บใข้ก็พอพอกัน ใกล้คลำมานานครั้นอริยาศัตร์อันเดียวกันชะไหนจะพรานมาหวานใจในคืนนี้จะเอาให้แจ้งเห็นดำเห็นแดงให้แจ่มใสเป็นก็เป็นตายก็ตายเด็ดขาดมา่ไา้ไม่ถอยไม่ยอม ก็ให้กลับจนหมดเพราะจะตั้งกำหนดใจให้พร้อมทุกเวทนาที่มาหอมล้อมรุกไล่แต่ต่อไม่ถึงถึงใจจากนั้นก็นั่งกำหนดจิดจอจ่องจดไม่ไปไหนเสียดแทงที่ว่ามันเสียดแทงอะไรปัญญาหมุนไปดูให้ชัดเจน ก็เหมือนโรคธรรมดาถึงคราต้องเป็นกำหนดดูดจนรู้ชัดเจนเอาจนเห็นเป็นความจริงจนเวทนานั้นแตกดับจิตวางระงับแสนเย็นยิ่งกายหายเงียบวางเปล่าจริงๆจิตวางจนนิ่งวางเปล่าโปร่งใจ นั่งแต่หัวค่ําจนถึงสองยามกว่าดูนาฬิกานิยามเดินทางลุกเดินจงกรมเลือดลมดีจังจนกระถางสว่างพอดีเป็นอันวา่าไม่ได้นอนทั้งคืนร่างกายสดชื่นคืนคงที่ โรคเสียแทงหายสิ้นอินซีเชาวมืดพอดีมีโยมคนหนึ่งเข้ามาเอาวโยมมาทำไมแต่เช้าล่ะเมื่อคืนผมมานอนอยู่ที่นี่ข้างๆกอภัยนี่เองครับ แล้วยมมานอนทำไมก็บอกให้ไปกันให้หมดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วโอ๋อผมไม่ไปไหนหรอกครับผมกลัวท่านจะตายผมเลยแอบอยู่ตรงนี้เมื่อคืนผมเข้าไปในนอนเหมือนกันเห็นไฟตะเกียงท่านจุดสว่างตลอดรุ่งพอตอนดึกเห็นว่าท่านออกมาเดินจงกรมได้รู้ว่าท่านไม่ตายผมดีใจมากครับจากคืนนั้นเป็นต้นมาท่านก็หายจากโรคเจ็บขัดในหัว อ, อกได้อย่างเด็ดขาดด้วยอํานาจธรรมอรยิยสัจด้วยประการชะนีแล